อือืมอืมเป็นคนใหม่แต่ในร่างเดิมออืมันมีอะไรใหม่ๆอ่ะมันก็จะงงๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมยังงงอยู่นานนานกว่าน้องเค้กมั้งเจ้าค่ะหลวงพ่องงอยู่นานประมาณโยมโยมงงอยู่นานประมาณไหนกี่วันน่ะนานนานเจ้าค่ะโยมสองอาทิตย์มั้งเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมว่าโยมนานโยมจนเหมือนว่าโยมต้องเรียนหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ต้องมาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันเหมือนกับเหมือนเราสลบแล้วฟื้นมาแล้วก็มาทวนอะไรใหม่ๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็นานอยู่แต่ว่าตอนรัปัจจุบันนี้จิตมันก็ไม่จับอะไรมันเห็นความคิดหมดเจ้าค่ะหลวงพ่อมันคิดดีคิดไม่ดีมันเห็นเแล้วมันก็จับเพ็นแล้วกระดับเพ็แล้วกระดับมันมันไม่ลากพอไม่ลากไปไหนมันก็ไม่ทุกข์นะเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่างน้องเค้เขาบอกว่ามันเห็นชัดมันแยก ให้เห็นเลยว่าเวลามันคิดมันปรุงมาอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นมันเป็นอย่างยามมันพูดมาเนี่ยชัดเจนนะมันพูดมานี่ชัดเจนหน่อยหน่อยนองคิดไม่ทันนะนะเจ้าข่าหลวงพ่ออืมอืมออใช่จ้ะค่ะจ้าค่ะเขาเรามานี่โยมก็เคยเจอแบบนี้มาก่อนจ้ะค่ะพระสารูกรเทิดด้วยเจ้าข้าหลวงพ่อทีแรกก็นึกว่ากิเลสโลกนี่นมารีเป็นไงบ้างไม่รู้โยมไม่ได้ติดตอน้องทีแรกโยมก็คิด รวมก็คิดว่ากิเลสหลอกแล้วนะทีแรกนะมันใช่หรือเปล่านะเหมือนกันเลยนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะไ ป, ไปนั่งไปนั่งเหมือนกันนจาคะหลวงพเหมือนกันอ่าไปนั่งฟังพระสวดอยู่ยังไงนะวันนั้นที่เป็นไปนั่งฟังพระสวดอยู่ยังไงนะไปไปนั่งพระสวดวันนั้นพ่พระมันมีพิธีสงฆ์กันเจ้าค่ะลวงพ่อรยกก็นั่งนิ่นิ่กับฟัง ฟัง้นไปฟังบาลีไม่ออกนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าช่องนั่งก็ทําีที่มันดูลมไปแล้วก็มีสติอยู่เจ้าค่ะอยู่ๆมันตรงขึ้นมานะเจ้าค่ะหลวก็อปัแยกให้เห็นเป็นส่วนเลยว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยโอ้ตอนนั้นมันปีติอยู่นะเจ้าค่ะหลก็อ่อปีติจนกระทั่งวันนั้นตาเนี่ยมันคอแล้วหลมโยมแบบเหมือนว่าเรายิ้มนะเจ้าค่ะหลวงพมันยิ้มแล้วก็ไปรู้โยมไปเผยยิ้มไม่ก็คุณเจ้าไหมแต่ว่ามันเป็นปีติที่เรา เห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเลยเจ้อยากมันอยู่กันคนละที่ละที่ละที่ละที่ทไม่เกาะเกี่ยวกันเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, <ừ m. S 2> อตอนแรกก็ว่าเอ้ยเด๋ยวต้องได้เรียนหลวงพ่อว่าอันเนี้ยโดนกิเลสหล อ, อกเอาหรือเปล่าแต่จริงๆริงตัวตัวโยมเองเนี่ยโยมปฏิบัตินี้โยมไม่ได้คิดว่าโยมจะเป็นอะไรโยมไม่ไม่อยากเป็นอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ <ừ m. S 2> อันนี้พอพอไม่ได้ตั้งตั้งไม่ได้ตั้ง ความความประสงค์แบบนี้เนี่ยโยมก็เลยว่าต้องเรียนหาพลวพ่อเพราะว่าบางทีถ้าโดนกิเลสหลอกเอาเราก็จะหลงทางมัวไปหลงทางกันนะเจ้าคะาะโยมก็ก็ดีใจแตน้องเท็กเจ้าคะ่ะถ้ามันรู้อยู่ที่กายที่จิตเนี่ยมันไม่หลงทางหรอกถ้าออกนอกกายนอกจิตไปรู้นอกกายนอกจิตรู้อดีตรู้อนาคตไปรู้มันเกิดออกนอกทางหลงทางแน่ถ้าไปงั้นนะ แต่ถ้ารู้อยู่ที่กายที่จิตเนะี่ยรู้กายแล้วก็เข้าไปเห็นจิตไปทันความคิดไปเห็นมันคิดเนี่ยมือนกไม่ผิดทางแล้วนะตามทางสติปัฏฐานสี่เลยถ้านะทำวิธีนี้นะเออไม่หลงทางหรอกเอออเมื่ อ, อ, อก่อนไม่เข้าใจเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อมไม่เข้าใจก็เลยมองว่ามันยากมไม่เข้าใจที่หลวงพ่อว่าเนี่ยไม่เข้าใจครูบาอาจารย์พูดก็ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจจนกระทั่งว่าเนี่ยโยมเป็นบุญของโยมดีว่าโยมมาบาดธนาพ้นทุกโยมก็โยมก็เคยคิดอยู่ว่าโยมเกิดมาชาติเนี้ยโยมโยมเองถ้าเกิดว่ายังไม่พ้นทุกจะไปเกิดอีกเนี่ยเป็นผู้ชายก็ไม่เอาเมียเป็นผู้หญิงก็ไม่เอาหัวแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมเบื่อหนายชีวิตครอบครัวแล้วก็เบื่อหน่ายต่อการเกิดแล้วหลวงพ่อ น, น้อเีนี้มันก็พยายามหมาว่าทํำยังไงท่จะถึง จะไม่ต้องเกิดอีกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็คงเหมือนเค้กค่ะเค้เข้าก็พอเขาแบบนี้แล้วเขาก็เบื่อหน่ายต่อการที่จะมีชีวิตที่ฟองเรือนคุณเลยค่ะโยมโยมก็เลยว่ามาเจอมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อชี้แนะองหลวงพ่อชี้แนะก็เลยได้อได้เรียนรู้แต่โยมมองว่าสิ่งที่เคยคิดว่ายากนะเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าใครตั้งใจจริงอย่างน้องเค้กเขาก็ตั้งใจนะ่นกว่านะอืเขาตั้งใจมาแต่พี่เนี่ยเขามีราก็ติดต่อถามหลวงพ่อหลวงพ่อเขาตั้งใจควาตั้งใจความเพียรเขาดีนะอืทํำต่อเนื่องตลอดนะะอืมความเพียรเขาดีอืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลักหลานหลวงพ่อคงทยอยกันไปไป ได้สภาวะกันเป็นคนๆไปนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่ อ, อก็คอยบอกไปเรื่อยมันถึงจะไม่หลงทางก็ต้องคอยชี้บอกทางไปเรื่อยมันคนเดินทางไม่รู้ทางไม่เคยไปเนี่ยก็ต้องมีคนคอยชี้บอกทางไปเรื่อ ย, อยมันถึงจะไม่เสียเวลามันถึงจะถึงจุดหมายปลายทางไวอือใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าทำไปถ้าทไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเมตตาเออเอ่านไปยมว่าต่อไม่ไม่ถึงเจ้าค่ะ S <S อ่าฮ่โยก็ไม่ถึงวนกันค่ะค่ะนองอือนแหละถ้าถ้ามันมันเดินไม่หยุดมันก็ถึงเองนั่นแหละนะเดินเดินทางนี่รู้สึกตัวนี่คือเดินทางต่ อ, อยังไงนี่ถ้ามไม่มีก็จะวนเป็นขนมจีนอยูน่นะเจ้าค่ะหลวงพ่อออ่มันก็มันต้องมีคนบอกทาง เพราะทางเราไม่ทางเราไม่เคยไปเนี่ยไปยังไงก็ไม่ถูกอยู่แล้วมันต้องถามคนที่รู้จักทางคนที่เคยไปแล้วมันจะไม่เสียเวลาเราเดินไปเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินเชิเงเดินเชิงออยู่เอจะไปซ้ายไปขวาดีหรือจะตรงไปดีมันไม่เสียเวลาจะมีคนคอยชี้บอกทางไปเรื่อยมันก็ไปถึงไวมันต้องอาศัยการได้คุยกันอยู่บ่อยๆนะวันหนึ่งหรือสองวันมีสงสัยอะไรก็ต้องโทรมาถามอย่างนี้มันมันถึงจะไปได้ไวแต่ถ้าทําไปเองเนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่คุยกันเลยเนี่ยไปไม่ถึงไหนเราไปไม่ได้เลย อ่าอ่าทาทางนั้นไปไม่ได้นะไปไม่ได้ถ้าถ้าเดินไปเองเนี่ยไปไม่ถูกต้องมีคนคอยบอกอย่างนี้นะเพราะทางเราไม่เคยเดินมันไปไม่ถูกอย่างี้วพราะทางไม่เคยเดิน่่ะะเจ้าคมันก็เสียเวลาเน่ยแ<ล>ะมันเสียเวลาดีนี้เอเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจริงๆทางเส้นทางนี้ขอกพวกเจ้าคะ่ะก็เหมือนหลวงพ่อว่าถ้าเราไม่เคยเดินแล้วเราอยู่ๆเราเดินไปเรื่อยก็จะสั เปีสะปะถ้าเป็นการเดินทางที่มีคนที่เคยเดินแล้วเนี่ยมอเบิ้ลบอกเราเนี่ยเราก็จะไม่โหลงไปซ้ายไปขวานะจะ๊ะเออมั น, น, ม, นมันไม่เสียเวลานานมันไม่เสียเวลานานมันไม่เชื้อเนื่อนช้าในการเดินทางนะเออมันจะไม่เนื่อนช้าในการเดินทางเจ้าค่ะหลวงพ่อจริงเจ้าค่ ะ, คะแล้วพอ เจ้าค่ะหลวงพอ่อพอนานวันไปนานวันไปมันยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมอีกเจ้าค่ะหลวงพอ่อ<ม>ตอนแรกว่าดีแล้วแต่พอนานวันไปมันได้รู้ได้เห็นได้เจอบททดสอบแล้ว<ม>เราก็เห็นมันมีมันมันมีตัวเห็นนะ่ะนะเจ้าค่ะหลวงพอ่อบางทีเราก็เนื้อย้อนแย้งไปในอดีตว่าเออเรื่องเดิมๆ้นก็พูดเหมือนเดิมๆทําไมเมื่อก่อนเราโกรธเป็นคืนเป็นไปแต่ตอนนี้ทําไมมันเข้าหูซ้ายท่าลงหู ขวามันก็ไม่ไม่เหอไม่เอึเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมก็มันนึกว่าเออนานวันไปนานวันไปเนี่ยความความรู้หรือความที่เราเราได้รู้ได้เห็นอะไรอย่างเงี้เจ้าค่ะหลวงพ่ออ ม, มันยิ่งกว้างออกไปโยมมีความคิดอย่างนั้นนะเจ้าค่ะได้ยิ่งนานวันไปก็เมันเรา เราจบปัญญาแล้วไปขอหางานเนี่ยแหละเจ้าค่ะหลวงพ่อพอไปเจอคนเจอเหตุการณ์เจอสภาวะแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็ใช้วิชาที่เราล่ำเรียนมาไปต่อสู้กับมันดูแล้วก็พอมันผ่านอะไรต่อไม่อะไรไปมันก็ได้ได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองว่ามันมันผ่านหรือไม่ผ่านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมอ่าก็ถูกแล้วนะมันก็ต้องลูกกว้างขวางไปเรื่อยๆนั่นแหละ มันจะรู้กว้างขวางไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ยังงงใหม่ๆมันก็งงอยู่นะพอนานๆไปแล้วความรู้มันจะกว้างขวางไปเรื่อยเจ้าค่ะอ่าออ่า่ก็ถูกแล้วแบบนั้นแถูกแล้วอ่เจ้าค่ะแล้วแล้วทุกวันนี้มันมันอะไรมากระทบแบบศักแต่ว่ารู้นะมาหูซ้ายทะู้หูขวาไม่ไดเอามาใส่ใจให้ให้ตัวเองเป็นทุกข์เหมือนแต่ก่อนนะตอนนี้นะ เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นก็โยมเนี่ยเห็นโยมก็เฉยโยมก็คือคื อ, คอมันไม่ไปปรุงอย่างเมื่อก่อนนะ น, นะเจ้าขนะหพอ่อทีเนี้ย <c oughs> มีแม่บ้านที่โมยมไปเล่าให้หลวงพ่อฟังอืคือโยมบอกว่าป้าอย่าไปส่งจิตไปดูคนนั้นคนนี้ดูเราเนี่แหละอันไหนเราไม่ดีเราแก่เราเราไม่ต้องไปสอ่องคนอื่นเจ้าแล้วทีเนี้ยโยมก็มามองว่าบางอย่างเนี่ยโยม ยอมยอมมองคนอื่นยอมก็เห็นเป็นท่าสีขันหน้าเนี่ยเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นมันก็สนใจว่าเห็นชมไม่ไปเริงไม่ไปอะไรเหมือนก่อนว่าก่อนเนี่ยมันจะชอบไปแสย์ใจดูเขานะเจ้าค่ะหลว<ม>งพ่ออ่ามันส่งกิจออกเนกาะเด่๋ยนี้ไม่เจ้าค่ะหลวงพ่ อ, <ม>อ เ, เห็นก็ก็ เ, เห็นว่าเป็นคนออืเห็นอะไรก็เป็นเป็นเป็นนั่นเป็นนี้แค่นั้นไม่ได้ไปไปปรุงว่ามันไปยังไงมายังไงเหรือ เหมือนเมื่อก่อนว่างั้นเถอะเจ้าค่ะหลวงพ่อกินอะไรทําอะไรก็สักแตว่าอย่างหลวงพ่อเคยแม่ตาบอกไว้ครับมันมันเป็นไปเองอัตโนมัตินะเจ้าค่ะหลวงพ่อเออเออเป็นไปตามธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยไปข้องแวะใครออ่ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็อยู่มันก็รู้เฉพาะเรื่องของเราเราไหนเราทําันก็ทำอดีตก็ไม่มีอนะก็ไม่มีมีแต่วันนี้เวลานี้จะทําอะไรต่อไม่อะไรอย่างนั้นเจ้าค่ะหลวงพ่อ อ่าอดีตอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดทันว่านะ อ, า อ, าอ่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือคือเมื่อก่อนนี้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราเวลาเราคิดถึงอดีตที่มันไม่สบายใจก็มาคิดนะเจ้าค่ะหลวงพ่อืเจ้าค่ะอนาคตก็ยังไม่เกิดก็ไปปรุงไปแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคิดไปก็ทุกอีกเจ้าค่ะหลวงพ่อทุกทุกล่วงหน้าไว้ได้ยังไม่ถึงเวลาทุกเลยทุกล่วงหน้าไปแล้วคิดไปนะเรื่องยังไม่เกิดเลยทุกล่วงหน้าก่อนเนะเจ้าค่ะ อดีตผ่านมากี่กี่กี่กี่ชาติกี่กับกี่กันตั้งแต่เป็นเด็กมาก็เอามาคิดแล้วก็มาทุกข์อีกอ่าเจ้าค่ะอ่าจริงเจ้าค่ะอืะะะอตอจนตอนนี้มันก็รู้ทันหมดใช่ไหมสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่าได้ได้เหได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองนี้อือโอ้หลว่าจะอือฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่า ฮะรู้เองเป็นเองมันก็หายสงสัยเองน่ะนะใช่ไหมรู้เองเป็นเองแล้วหายสงสัยเองใช่ไหมถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่กวนอันนี้ก็อยู่แบบธรรมชาติอยู่ออ่ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เป็นใครพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมน่ะมันต้องรู้เองเห็นเองเป็นเองมันถึงจะหายสงสัยนะฮะ เอ่าเจ้าขาเจ้าขาจริงเจ้าขาหลวงพอ่อจริงเจ้าขา่ยไมเป็นเรื่องตอนนี้าาตอนนี้ก็ใช้ใช้ชีวิตใช้ชีวิตง่ายใช่ไหมทีนี้พอเป็นงี้มา<อ>ใช้ใช้ชีวิตง่ายอยู่ง่ายง่ายสบายสบายขอบท่านหวงขอว่าท่านลองก็เพียรปฏิบัติไปเนอกสักวันหนึ่งก็คงจะได้รู้เองเห็นเองความ ความเพียรแต่ละคนก็นะอืมความเพียรแต่ละคนมันก็ไม่เท่านนออกันสัญญาณขาดขาด ห, หายหายเจ้าค่ะหลวงพ่อความเพียรแต่ของแต่ละคนมันก็ไม่เท่าออกันทีนี้หพ่อเจ้าค่ะเออเออสัญญาณหายเป็นช่วงๆกันเออเออ